อ๋อเนี้ยเจริญสตินะยาวเข้าไปแล้วจเจริญสติปรญสีนะนนเขาจะให้รู้สึกใจเนนว<ด>รินานะกายว่ากายเอ า, าเรีวยวออกไปมันมากถ้าพูดนิดเดียวกำมือลูกมาหยู่เหยียดมือลูกมัรม้รู้อันนี้มันรู้อันนี้นี่เอรู้อันนี้ไม่ใช่รู้นั่นเนี่ยอาตอนนี้เอาคุณอรตอนคุณสุดใจสุดใจกำมือรู้ไหมรู้เอาวันนี้อยากกำมันหรกำมือรู้ไหมรู้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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพอคอยฟังถ้าเหลพ่อพูดภาษาหนุ่มเ็นรักดอกเจียวทีเดียวเจีทีเดียว่ยยวจวีพวท่านฟังไม่เต็มคอยฟังะคนฟังภาษาหนุ่มเลยรับเรวาวะไม่พลาดเดี๋ยวนี้พลาดแล้วคพูดนี่พลาดตัวสือแล้วพวกท่าจะฟังตรงท่มันฟังพลาดควารู้คันตน้ตนรู้ลุ่หลังแก้ทุกทางใจยางไมไ่แก้ได้คือไม่ได้ผี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 สินปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นต้องรู้จริงๆสินจิลละสาคผไม่ใช่คนประละสาสินตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาติมาจนว่าเป็นนมไม่รูเ้เมื่อขั้นที่สามเนี่ยินักษาคนเนี่ยเป็นอะไรมาดูขั้นนี้สิรู้จากเรื่องสงบุกสองประเทศสมบสมถรสมถานะสงบุแบบไม่รู้สงบุกอภิปรายอะไรมันแจ้งขาวจากเยงได้ เรื่องารกสวรรค์รู้จริงๆพอดีรู้จุกนี้เขาเรียกว่าสี่จุดแลรกนี่ปฐมสถานทุกสิ่งาการปัจจัการจากตูวทศัศน์เป็นรวมตัวเข้ามารู้ทั้งหมดเลยรู้จริงจริงดูแจากขยายตัวพังทางลายไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดียวนี้เข้าใจเรารู้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้คนยังไม่ทำมันไม่รู้ถ้าจะพูดอย่างนี้เกาใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทํากันบ้าง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 ถ้ามีความเจริญความก้าหน้าอย่างเนี้เข้าใจว่ารับรองว่าทุกคนมาสนจริงๆทุกศฐฐา์ภาษาเดียวนี้เนี่ยที่ที่พูดให้ฟังไม่ใช่อู้ไม่ใช่ปุยแล้วนี่ยอย่างที่อาจารย์เนี่ยเขียนเราซไม่เป็นพูดภาษาเขาไม่ได้เขาเลี่ยจ้างไปพูดให้เขาฟัางมีล่างไปแตะให้ฟังเสียเลยเขาคนไทยแทบๆพูดให้ฟังทํารรมำไม่ฟังเพราะเรื่องอะไรนี่แหละคนหนึ่งโอ้โหพูดปกติให้ฟังไม่ต้องกาอยังเป็น ดีเหมือนกันลองฟางดูท่านเองที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ย <c oughs> พวกท่านเนี่ยพูดภาษาก็ได้อะไรได้เท่านั้นล อ, ลองลองทําดูที่ถ้ า, ามันไม่เป็นยานคำพูดเนี่ยเขาอจะมาไปที่อย่างนี้ได้ <c oughs> จริงจริงงักนองจริงจริงขอใครข้ามาจาักมือกันได้สามปี <c oughs> ใครข้ามาจักมือกันได้สามปี <c oughs> ถ้าเดือนละหนึพันบาทเนี่ยสามปีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลย แต่ว่ากลัวจะยันมาได้ขอ ม, มาทมาไปกลัวจะจะมาให้เท่านั้นเอง <S 2> <S 2> <S อเรา จ, จะมาให้เนั้นรับรองจริงๆตัวของหลวงพ่อเนี่ปฏิบัติสามเดือนท่านั้นเองแต่ไม่เกินสิบวันอนุูจริงๆเรื่องนี้แต่เป็นคนจริงซะด้วยนะเคยสอนมาเนี่เด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสามสิบวันคนมีอายอย่างมากไม่เกินสามเดือนรับรองสอนมาแล้วนี่รู้เพียงแต่จะให้จิตใจเตือนจากสภาพเดินเท่านี้นะแต่ไม่ถึงที่สุกของพุกแล้วไปด้วยนะ ไม่ตอบพูดเพียงแต่ไม่โกรธไม่ลุกไม่หลงเกาเนะี่ยเ่นี้ก็พอเนะี่ยกินข้าวสบายกันนี่ไม่ต้องว่าที่เป็นอะไรนะ่ะเอาแค่นี้ก็ใส่ได้เอาใครกล้ามาสามปีพูดกันเลยเดือนเดือนอาจารเขาได้สาม0ันบาทเอาถึงสามปีจะคิดให้เลยเรือมือบาทถึงสามปีจะคิดให้เลยจริงๆเรื่องนี้จริง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 เขาไม่เชื่อเลยเขาไม่ทํามันำเลยเขาบอกว่า ม, มึงจะ่ามาพูดให้กูฟังมึงเกิดบนกูมึงเกิดที่หลังกูมึงเกิดที่หลังกูกูให้เข้ามึงจริงมึงจะมาสอนกูขกนเขาพูดประจังเต็มที่สาวเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชืออเชอเ่อฟังบอกให้ทํา ม, มือดูสิกู้ําเนียกูกับกูดูิมึงจะมาสอนกูทํำไม่จะ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 บันทึกไว้วันเดือนปีบัทึกไววันนี้เป็นวันที่ยี่ยี่สิบสองมกรคาคมสองพ้าร้อยี่สิบหกตรงตเดือนสามคืนเก้าค่ำวันเสาจังไลนะเสื้อยังไงหนูเชื่ อ, อแก้วแก้วข้วฝนแก้วนกวนร อ, อ, อ, อดีนะเพื่อจะให้ให ใ, หให้ท่าดี หวัน จ, าจา่ายเรีอนนี้ไม่ถึงสองพันนะพอมปลายเดือนนะครับเดือนนี้ไม่ถึงสองพันพอมปลายเดือนมีหวังมีหวังจะได้เงินสองพันไหมขอความลงตจริงงัดรลงหวังไม่เกินสามปีเจริญจริงนะคนโกรธมันจกหายไปเลยมันจะหนีไปเลยแต่ไม่ไมเข้าใจย่านี้ยังมีแต่คำพ่อเราเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องดี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 บางที่เอาของไปขายเขาเอาไปหมดแล้วของหายไปแล้วขาดทุนแล้วลมองยูตรงนี้เอาของไปขายขึ้นจะไปเอาของฉันไหมจะไปขายในตลาดนั้นเนี่ยราค า, าเท่านั้นนะขอหถามได้อย่างนี้แล้วก็ทาคนรู้สึกเรื่อยพอเยมาคิดปุ๊บเอาไหมิบบาทนี่ดิฉันซื้อมายี่บบาทแล้วเนี่ยแต่คจริงซื้อ15บาทสามาได้ไ <G ül> s> <S เอาแทนขึ้นมาสิบี่สิบาทนะขอให้ได้มขอๆตัดสินใจใหเพื่อกันนั่นงไหเนี่ย ได้เหมือนกันได้เงินห้าบาทเนี่ยครับนม่ได้เป็งานเองไม่ใช่เรื่องเราซื้อสิบห้าบาทขายยี่สบาทกำไมห้าบาทล้วแทนคืนค่ากู้ค่ารถดล็บอะไนี้ค่ารถเนี์กุ้งแหนไอที่หน้าก็พูดอย่างนั้นเรื่อยๆอย่าไปพูดในเรื่องสินเรื่องอะไรทั้งหมดอย่าไปพูดให้เสียรักษาคนรักษาสินเนี่ยใครก็รู้ว่ามาห้าแม่ค้ามาอาทิตย์หน้ามารับของเขา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 ท่านนอนคนเยอะคงได้เพราะแต่สองคนทักยุ่งเนี่ยสอคนก็หันหลังให้กันจริงๆนะเนี่ยพี่เคียนนะบันนี้ก็ทําอย่างนี้ก็ได้เนี่ยยังนี้ยัเรื่อยหรือจะทําอย่างนี้ก็ได้ยุบพุทธแล้วก็มาทําอย่างนี้ก็ได้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 อะไรแว่ น, น, นาตาอะไรที่มันเอาขอที่มันมงวมงกัน่านี้เนี่ยมา น, นี่มีมีขามีอะไรงวมงกันเนี่ยทำให้ดูเอาเรียงกันเลยคเอามาให้มงมองอันนี้ไม่เห็นหเอามาให้คลุมนี่เห็นไหมาด้วยเรามาดิะามาเนี่ยฝ า, ามาีข้าววันนี้มันเป็นอย่าง